สติสำคัญนะสติสำคัญที่สุดเลยเจอคําพบคําชาติได้ไม่ต้องมีสติมีสติก็มีศีลมีสติแล้วก็มีสมาธิมีสติมีปัญญาขาดสติก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสติสำคัญมากสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตน กิเลสดับไปเองการที่เรามีสติอยู่นะเรียกว่ามีกุศลจิต ท, ที่เคยมีสติแล้วมันจะมีสติบ่อยๆกุศลเจริญสติสำคัญมากนะขาดสติใช้ไม่ได้เลยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาทุกๆองค์นะั้นสอนเหมือนกันหมดเลยให้มีสติคนในโลกไม่เคยมีสติเลยนะ ถึงมีสติก็ไม่มีปัญญาอย่างคนทั่วๆไปไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติไม่มีกระทั่งสมถะไม่มีอะไรนะวันหนึ่งวันหนึ่งจิตมีสติน้อยเต็มทีแล้วเป็นสติแบบโลกโลกเช่นคิดถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอยากทําบุญอยากช่วยสงเคราะห์คนเห็นหมาถูกรถทับสงสารมีเมตตามีอะไรนะีะ มีสติเหมือนกันอย่างนี้แต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่คือสติรู้กายสติรู้ใจต้องรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นไม่ยากนะถ้าสามารถแยกออกมาได้ถ้าใจเราแยกออกมามีเป็นผู้รู้ผู้ดูใจมันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมา ย่าเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่หายใจออกหายใจเข้าอยู่เห็นไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นตรงนี้นะนับไม่ท้วนนะอย่าเห็นเวทนาไม่ใช่เราความสุขความทุกข์อะไรพวกนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปดปลอมมาเป็นคราวๆมีเด็กก้าวขวบอยู่คนเด็กผู้หญิงภนะาวนาเก่งส่งกันบ้านมีวนันนะั้นมันส่งหน้าฟังมากเลยบอกว่าปวดตา ปวดตานะหนูก็เห็นร่างกายคือลูกตาอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่คนเป็นคนรู้ว่าปวดเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งแมนะ้ขันมันแยกออกไปจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรารความปวดมันก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตเองก็เกิดดับไปได้่อย จิตมันเห็นมันจะบอกว่าเป็นเราเลยความเป็นเรามันเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นคลาวคลาลอันนี้หลวงพ่อเติมนะเด็กไม่ได้พูดถึงขนาดนี้เด็กบอกว่าเด็กเห็นตายก็ส่วนหนึ่งความปวดก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันไม่เกี่ยวกันแต่และคนทําหน้าที่ของตัวเองนี่เด็กพูดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาทําไมเขาเห็นอย่างนี้ได้นะเพราะเขามีสองตัวเขามีสติก็มีสามารถสมาธิมีสติมันะระลึกรู้อย่างความปวดเกิดขึ้นเขารู้ทัน แะลึกรู้ปั๊บใจตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าลูกตาก็ส่วนหนึ่งนะความปวดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโคนละอนกันจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกโคนละอนกันเนี่ยใจที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาขันมันจะแยกตัวออกไปขันจะกระจายตัวออกไปต่างคนต่างทํางานของตัวเองไปค่อยฝึกเรื่อยไปเรื่อยไปนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่กายกับใจนะ มีความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิน้นผู้ใดที่จิตยอมรับความจริงตรงนี้ผู้นั้นจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วบูบูบลงไปแล้วบอกเป็นพระโสดาบันใช้ไม่ได้ต้องมีสตินะมีสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจแล้วแต่เบื้องต้นใครจะถนัดรู้กายก็หัดรู้กายไป ขนัดรู้จิตก็รู้จิตไปไม่สําคัญหรอกขอให้ว่ามีสติก็แล้วกันจะรู้อะไรก็ได้นะกายก็ได้จิตก็ได้รู้เวทนาก็ได้ตัวสําคัญไม่ใช่ว่าไปรู้อะไรตัวสําคัญคือมีสติและเป็นสติปัฏฐานสติที่รู้กายรู้ใจจะรู้กายก่อนก็ได้รู้ใจก่อนก็ได้แต่พอสติที่แท้เกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เลือกไม่ได้แล้ว บางทีสติก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้กุศลอกุศลบางทีก็รู้ทันจิตที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆอนเนี่ยเอาเลือกไม่ได้นะไม่มีงั้นสุดท้ายเนี่ยไม่มีหรอกสายกายสายจิตสายนั้นสายนี้ไม่มีมีแต่ว่าขนาดนี้มีสติหรือขนานี้ขาดสติมีเท่านี้เองถ้ามีสติเนืองเนืองไปปัญญามันก็เกิดใจตั้งมั่นนะหเห็นกายมันทํางานหเห็นจิตมันทํางานดูมไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดเห็นมันไม่มีเรา เห็นไม่มีเราได้พระโสดาบันดูไปเรื่อยนะเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยจิตหมดความยึดถือในกายก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระเมื่อไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระคือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายความยินดีก็จะไม่เกิดความยินร้ายก็ไม่เกิดกามและปฏิฆาก็ไม่เกิดขึ้นมาจิตที่พ้นกามนัเป็นจิตของพระอนาคามีพ้นจากกามและปฏิฆะ เพราะอะไรเพราะเห็นความจริงแล้วรูปเสียงกลิ่นรสพวดทพะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่เห็นตัวดีตัวพิเศษตรงไหนเลยนะการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะบีบวงกระชับเข้ามาที่จิตนะนจะเข้ามาที่จิตเองนะใครๆปฏิบัติก็เหมือนกันหมดนะนจะเข้ามารู้อยู่ที่จิตเพราะมันรู้แจ้งในกายแล้วยกให้ออกนะหลวงพ่อพูดเรื่องรู้แจ้งในกาย นะรู้แจ้งก่อนเห็นแล้วกายเป็นทุกข์ละวางได้นาคารู้แจ้งในจิตเห็นจิตเป็นตัวทุกข์น ะ, ะวางไปเป็นพระอรหันต์แต่ตอนเริ่มต้นปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องดูกายก่อนนะอะไรรู้อะไรแล้วสติเกิดเอาวันนั้นแหละรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้ไม่ใช่รู้อันใดนหนึ่งไม่ใช่มีขั้นมีตอนว่าทุกคนจะต้องเริ่มเหมือนกันหมดจริยนิสัยคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนเริ่มต้องดูกายเหมือนกันหมดนะ หรือมาเรียนกับหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสอนให้ทุกคนดูจิตเหมือนกันหมดกรรมฐานต้องเลือกให้ถูกกับจริตถูกกับ น, นิสัยของเราถ้าเรามีจริตมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบในยพวกนี้ทําความสงบขึ้นมาก่อนทําสมาธิมาทําความสงบพอใจตั้งมั่นแล้วก็ดูกายไปเห็นกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเห็นกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราดูไปกายไม่มีตัวเรา จะเห็นว่้จิตเป็นแค่คนดูจิตจะแยกออกมาเป็นคนดูนี่ก็ได้หรือคนไหนเป็นพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตคิดมากให้ดูจิตไปเลยทําสมาธิไม่ลงหรอกเพราะว่าคิดมากฟุ้งซ่านให้ดูจิตไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยเฉก็รู้จิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็รู้รู้ไปเรื่อยรู้ไปหลวงพ่อหัดภาวนานะตอนเด็กๆหัดทําสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบ นั้นทำสมถะชำนี้ชํานาญมาแต่เจขวบแล้วไม่มีสติปัญญาอะไรที่แท้จริงเลยได้แต่ความสงบความสบายได้แต่ของเล่นของจริงไม่มีถูกกิเลสหลอกเอาจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตก่อนหน่าจะเจอหลวงปู่ดูลนะก็ได้ยินคําสอนของครูบาอาจารย์วัดป่าทั่วๆไปท่านก็พุดโทแล้วพิจารณา ก, กายลองดูนะลองดูกายปุ๊บ ป, บปบุแตกหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูดูได้นาทีเดียวก็หมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูใจมันรู้สึกจุดชุด คือให้ดูกายต่อไปนี่จิตจะไม่ยอมดูอีกต่อไปแล้วทําไม่ได้อะทำไม่สําเร็จนะอ่ะพรรู้สึกไม่มีอะไรให้ดูมันง่ายเกินไปไปเจอหลวงปู่ดุลนะก่อนท่านจะสอนหลวงพ่อวนะ่ท่านหลับตาอยู่ตั้งนานเลยยังนึกว่าท่านฉันข้าวแล้วนอนหลับไปนั่งหลับแล้วหลวงปู่หลับไปแล้วนะหลวงปู่แก่มากนะแล้วพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนโชะเลยนะการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนให้อ่านจิตตนเอง สอนให้อ่านนะเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประพันธ์นึกออกไหมท่านให้อ่านคนอ่านหนังสือกับคนเขียนหนังสือไม่เหมือนกันนะท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นนักวิจารณ์เนยหนังสือเล่มนี้ดีหรือไม่ดีไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกให้อ่านมันดีก็รู้มันร้ายก็รู้มันสุกสนุกสนานมันเซ็งมันยังไงรู้มันเรื่อยไปดูใจเราเหมือนใจเราเป็นหนังสือเล่มหนึ่งหน้านี้เนี่ยตื่นนอนขึ้นมาหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาวันนี้วันพฤหัสสดชื่นรู้ว่าสดชื่น ตื่นขึ้นมาวันนี้วันจันทร์แห้งแล้งขี้เกียจไปทํางานรู้ว่าขี้เกียจเลยเนี่ยตูเข้าไปอย่างนี้เลยทําตัวเป็นนั่งอ่านที่ดีนะเดี๋ยวก็มีบทรกักเดี๋ยวก็มีบทโศกเดี๋ยวก็มีบทโกรธใช่ไหมเดี๋ยวก็มีบทอิจฉาผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะผู้ชายขี้อิจฉาเยอะนะทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่มีนะผู้ชายขี้กังวลก็เยอะแต่ผู้หญิงขี้กังวลมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายมันบุ่มบามไม่คิดหน้าคิดหลัง เรืความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลูกเดียวรู้ลงไปเลยรู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องแทรกแซงไม่ใช่รู้เพื่อจะละนะรู้เพื่อจะรู้รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้เพื่อจะหาทางละมันหรือหาทางรักษามันเฝ้ารู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเฝ้าดูไปเงี้ยหรือคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายไปทําใจสงบก่อนถ้าจะรู้กายทําใจสงบแล้วดูกายคนไหนทําความสงบไม่เป็นนะดูจิตเข้าไปเลย จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบกรร็รู้จิตดีจิตร้ายก็รู้ตัวอย่างนี้ถึงวันหนึ่งนะปัญญามจะเกิดถ้าดูกายถูกต้องก็จะเห็นจิต ด, ด้วยถ้าดูจิตถูกต้องก็จะเห็นกายด้วยหลวงพ่อเนี่ยเริ่มมาจากกระดูกดูจิตเลยนะดูจิต ด, ดูจิตไปแล้วมันแจ้งนะเวลาแจ้งก็แจ้งกายก่อนอนะกายนี้มันทุกข์นะเห็นกายมันทุกข์มันไม่ได้เจตนานจะเห็นนะมันเห็นเองนะ เพราเราสะสมของเราไปค่อยๆสะสมมีสตินี่แหละรู้สึกกายรู้สึกใจไม่เลือกหรอกว่าจะรู้กายหรือรู้ใจไม่ใช่จุดตั้งต้นนะตอนจุดตั้งต้นต้องเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรก่อนเลือกให้ถูกกัจจิตถูกกานิสัยถ้าเป็นคนรักสุกรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบเนี่ยทำใจสบายก่อนใจสบายแล้วมาค่อยดูกายเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นกายหายใจออกหายใจเข้ากายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆคนไหนเป็นคนคิดมากนะให้ดูจิตเอา จิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ละวันจิตไม่เคยเหมือนกันแต่ละเวลาเช้าสายบ่ายเย็นจิตก็ไม่เหมือนกันบางวันเช้าสดชื่นสายสายโมโหกลางวันก็หลงเพลินตอนบ่ายขี้เกียจซึมเศร้านะตอนเย็นทร้าอีกแล้วนะแต่วันเดียวนะไม่เหมือนกันหรอกเราหัดไปเรื่อยๆต่อไปเราเห็นแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันขณะที่ตามองเห็นนะความรู้สึกก็เปลี่ยน ขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่จมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ลิ้นกระทบรสความรา ain, ู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกก็เปลี่ยนให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะร้ายรู้ลูกเดียวเลยแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งร้ายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับ ถ้าดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะวันหนึ่งก็เห็นจริงแลสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวตนถาวรคําว่าไม่มีอัตตาคําว่าอนัตตาหมายถึงไม่มีตัวตนถาวรไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลย <oui. S 1> อย่างเราเนี่ยไม่มีตัวตนถาวรมีก็มีเป็นคราวๆเพืะคิดเอานะเราะฉะั้นเราค่อยฝึกนะเห็นเลยตัวตนไม่มีมีแต่ทุกอย่างเกิดแล้วดับผู้ที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นคือพระโสดาบันฝึกไปนะ ไปต่อไปปัญญาก็แจ ah ้งมากขึ้นเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆทุกวันน <t ina> ี้ไม่เห็นทุกวันนี้เรายังเห็นกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เรียกว่าไม่รู้แจ้งเรียกว่ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงยังหลงผิดอยู่ว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเรียกว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะจะเบื่อกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของน่ารักน่านับถืออีกต่อไปใจมันจะคลายนะจะทิ้งมันเองเนี่ยเพราะเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดหลุดพ้นไปนะน่าเบือ่อนี่คือเส้นทางเดินที่พระริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมานะทางเดินของการมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูฝนะึกของเราไปเรื่อยนะวันนี้ยังล้มลุกลุกลานไม่เป็นไรทุกคนไม่ว่าใครทั้งสิ้น ก่อนที่จะเข้าถึงทำแท้ก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยกันทั้งสิ้นกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมล้มลุกลุ ก, ลกคลานอยู่6ปีเนี่ยล้มลุกค ล, ลุกคลานจริงๆนะบางทีท่านถึงขนาดคลานบางทีนอนสลบไปเลยหมดเลี่ยวหมดแรงนะใกล้จะตายเด็กเลี้ยงวัวมาเห็นเด็กเลี้ยงวัวรีเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงแพะมาเห็นนะสงสารเห็นว่าโอ้นักบวชคนนี้หมดเรื่อวหมดแรงนอนกลิ้งอยู่ที่พื้นแล้วอุตษาไปรีดนมแพะมากรอกใส่ปากท่าน โอ้โห oh, บุญเหลือหลายใครรู้บ้างเด็กคนนี้ตอนนี้คือใครใครไปรู้ล่ะเห็นไหมอะไรท er ah yeah> UH ี่ออกนอกแล้วชอบชอบนะอะไรที่เรื่องของตัวเราเองล่ะก็ฟังแล้วก็สิงสิงนะแกล้งหลอกหน่อยเดี๋ยวก็เชื่อล้วนั่นดูของเราเห็นนะเราอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงแพะคนนั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กเลี้ยงแกะนะ แล<ไ>้วคอยดูของเรานะวันหนึ่งเราก็แจ้งขึ้นมาแจ้งมาเป็นลําดับลําดับนะฝึกไปพอสติเกิดก็เริ่มมีความสุขแล้วพอจิตมีสัมมาสมาธิยิ่งมีความสุขมากขึ้นมีปัญญามีความสุขยิ่งกว่า น, นั้นอีกนะพอเกิดวิมุตต์ขึ้นมาโอ้โหมีความสุขมหาศาลมีความสุขทั้งวันมีความสุขทั้งคืนฝึกแล้วมีความสุขไม่ใช่ฝึกเราเครียดถ้าฝึกแล้วเครียดนะทำผิดแน่นอนนะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตเพั้นถ้าภาวนาแล้วเครียดแล้วก็เป็นอกุศลอย่าไปทําทําผิด จิตที่เป็นกุศลนั้นจะมีความสุขมีความสงบมีความสุขต่อไปตรวจกันบ้านคนที่อยู่วัดให้สิทธิ์ก่อนอ้าเชิญว่องไวถ้าไม่เอาก็ผ่านแต่ละนานทีมีค่านะากราบนมำมศการเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติขึ้นแบบภาวนาสบายสบายขึ้นนะคะแล้วก็มีช่วงเย็น ครั้งหนึ่งที่เหมือนกับว่าพอนั่งนั่งอยู่แล้วสักพักจิตมันเหมือนกับว่ามันมันค่อยๆผ่อนนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอ๊แล้วก็แต่ถามว่าหลับหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจก็เลยไม่ทราบว่าจริงว่าจิตมันลงไปพักหรือว่ามันลงไปหลับแต่ออกมาแล้วก็สดชื่นนะก็ช่างมันไม่ฝืนมันนะลงไปให้มันพักไปพักเต็มที่แล้วมันขึ้นมาไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ลงไปพักแล้วไม่ยอมขึ้นมาอีกเลยพักแล้วพักเลยพวกนี้ไม่ไหวไม่เดิดปัญญา ที่ฝ <igual> <sea>. ึกอยู่ใช้ได้ไปต่อไปกล่าบนมัศการกับหลวงพ่อเห็นไหมดีขึ้นเรื่องเยอะแล้วเป็นกลางมากใจมันหลุดออกมาแล้วไม่งั้นเพ่งลูกเดียวรู้สึกไหมหลายปีเพ่งลูกเดียวดีใช้ได้อะไปต่อไปเห็นไหมตรวยกันบ้านเร็วครับน้มัศการหลวงพ่อนะครับก็วันวันแรกที่เจอกันหลวงพ่อเอาเอานี้เลยวันนี้ไม่ต้องเอาห้าวันวันนี้เป็นยังไงวันนี้แหละครับ วันนี้ก็ดีขึ้นกว่าวันแรกๆครับกดน้อยลงครับกดน้อยลงยังกดอยู่ยังกดตอนนี้ยังกดอยู่ตอนนี้คือขึ้นวิปัสสนาพอจะถูกบ้างหรือยังครับพอจะถูกนะใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใช้ตั้งมั่นเป็นกลางเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานนั่นแหละเรียกว่าทํำวิปัสสนากายมันทํางานนะไม่ใช่เราทํางานกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนไม่ถอดถอนความเป็นตัวเราออกไป มีตรงจุดไหนต้องแก้หรือเปล่าครับไม่แก้มีแต่เลเิกนะ เ, เพ่งนะเลิกเพ่งนะแต่ทำสมถะทำสมถะแต่ไม่น้อมให้ซึมนะทำไปเรื่อยดีขึ้นเยอะแล้วครับขอบคุณครับอา้าว่าไปมหัศ ก, การค่ะหลวงพ่อหนูเป็นที่ถีจริตหรอเปล่าคะใช่สงสัยอะไรล่ะ <laughs> ดูไปเลยดูจิตไปนะค่ะอา้าวต่อไปให้ยกมือนะเอาโซนข้างหลังก่อน <62. S 2> กราบหลวงพ่อค่ะส่งการบ้าน3เดือนค่ ะ, ะระยะเวลา3เดือนที่ดูมาก็จะเห็นจิตมันทํางานของมันไปเรื่อยๆนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีทีนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยเราเห็นจิตเราคิดในเรื่องที่เราคิดว่ามันน่ากลัวมาก<อ>ไม่เคยมองเห็นเลยว่ามันทําได้ขนาดนี้อะคะ่ะก็เลยว่ามันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงในรอบ3เดือนนะคะดีสิภาวนาเป็นนะต้องมีความเปลี่ยนแปลง พระพุทธเจ้าบอกนะธรรมะของท่านยังไม่เนิ่นช้าถ้าทํามาหลายปีแล้วยังเหมือนเดิมนะ่าทำผิดแน่นอนเลยก็คือคงเดิมคงปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะใช่เบอร์เจ็ดสองครับการธรรมสการพระอาจารย์ครับอยู่ไหนย่อกมือหน่อยอยู่นี่ครับแล้วว่าไงครับผมก็ปีที่แล้วพระอาจารย์ให้กันบ้านไปว่าผมยังกดอยู่ะครับผม mm hmm. ก็คือแต่ตอนเนี้ยผมก็ดูมันก็ มันตื่นเต้นฮะรู้สึกไห้มันกดน้อยลงน้อยลงครับรู้สึไหมใจเราเคลื่อนไหวได้ครับถ้าเพ่งอยู่นะกดอยู่ใจไม่เคลื่อนไหวนิ่งๆไม่มีปัญญาหรอกดีแล้วล่ะครับก็คือระหว่างนี้ครัมีอยู่ช่วงหนึ่งผมปล่อยตัวเองไปกับโลกเยอะนิดนึงครับมันมันหลงไปกับโลกฮะแล้วมันจะรู้ตัวน้อยลงฮะธรรมดานะโลกกระทำมันไม่เข้ากันหรอกมีหลวงพ่อพอจะหาเครื่องอยู่ให้ผมได้ไหมครับ รู้สึกหนะ้าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยๆครับนะไปเดินจงกรมได้นะครับของคุณต้องรู้กายให้มากไหมรู้กายให้เยอะใช่ไหมฮะแต่อย่าไปเพ่งกลายนะ ร, รู้จากเพ่งแล้วใช่ไหมครับผมเวลาเดินผมจะชอบเดินแล้วผมจ ะ, จะเดินแล้วผมจะคิดไปเรื่อยอะค่ะนั่นแหละให้รู้ทันว่าเดินแล้วหลงไปแล้วเราจะดูยังไงเวลาที่เราเดินที่ดูกายอยะครับเดิเนดอยู่เพ <kız S 2> ่ง ก, นะก็ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเราจิตแอบไปคิดเราก็รู้ทันเรามันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละ แล้วแต่ตัวไหนเด่นขึ้นมาพอจิตมันไม่ได้ไปคิดไปนึกอะไรนะก็เห็นกายมันเดินไปเพราะนั้นดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามามแีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัติอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมอ๋อทราบครับนะ่ารู้ทันอย่างนี้แหละครับแล้วไม่ประคองนะยังมีนิดหน่อย 1> ค1 5 1้อยอยู่ข้างหลังหนึ 115. กับน้ำมศการ na, ครับหลวงพ่ออคือผมจะมาขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อว่าผมควรจะดูกายหรือดูจิตะครับของคุณนะคุณเป็นคนช่างคิดอย่างไร้ายแรงรนะคุณดูจิตไปได้เลยนะครับดูจิตไปเรื่อยๆแต่กายนะก็ดูได้มันมันเห็นอยู่แล้วล่ะครับครับ <optimum> จิตแอบไปคิดอยู่รู้สึกไหมไม่ทันครับไม่ต้องทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมครับเนี่ยรู้ทันมันไหลเรารู้มันไหลเรารู้นะ ไปแล้วรู้สึกไหมอันนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมกดอยู่ครับใช่เกิดเยู่ไหลไปกดน่ะครับรู้สึกไหมตอนกดก็ไหลไปกดครับจิตมันส่งออกนะเรียกว่าจิตส่งออกนอกเนี่ยไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมวัยมากเลยวัยครับคอยรู้สึกไปนะรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องไวัเท่าที่หลวงพ่อบอกหรอกหลวงพ่อบอกให้เป็นดูเป็นตัวอย่างไว้พอไปเราหลงไปสักพักหนึ่งล้วก็รู้ว่าหลงก็ใช้ได้นะจะหลงสั้นลงสั้นลง เนี่ยมันไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันไปเองดูออกไหมมันไหลไปได้เองเนี่ยดูเป็นเราจะเห็นไตรลักษณ์ทันทีเลยมันทํางานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนี่แหละคือการเห็นไตรลักษณนะ์การทําวิปนะัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาเบอร์เจ็ดห้าการนมัสการค่ะอาทิตย์นี้ดีขึ้นค่ะจะถามหลวงพ่อว่ายอมควรจะ ดูกายหรือดูจิตดีคะบางทีมันชักเริ่มสับสนโยมเคยมาเรียนป่ะค่ะอาิตย์ทโยมมาแล้วโยมบอกว่ายมเบื่อมากเลยค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้โยมอดทนทําต่อไปอะค่ะก็ดีเนี่ยนะที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นนะดูการิทำถูกหน้าตาเปลี่ยนไปหมดหลวงพ่อจําไม่ได้ค่ะคนภาวนาเป็นกับคนภาวนาไม่เป็นหน้าไม่เหมือนกันหรอกค่ะรู้สึกไหมหน้าเราเปลี่ยน อาที่นี้สบายขึ้นค่ะลองใสองกระจกนั้นเราจะสวยขึ้นจําไม่ได้เลยดีนะพอนาไปทําอีกคเบอร์แปดสองบางทีหลวงพ่อต้องดูแล้วดูอีกว่าคนนี้มเคยมาไหมหน้าตาเปลี่ยนไปหมดอ้าวเชิญน้ำระสการครับหลวงพ่อครับเริ่มปฏิบัติได้ประมาณสี่เดือนนะครับเอเห็นไหมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วยังเห็นครับเห็นไหมอัศจรรย์ไหม เปลี่ยนได้รวดเร็วเห็นไหมความทุกข์มันตกหายไปเยอะแล้วรู้สึกว่ามันมันความทุกข์มันหายไปเยอะเออเห็นไหมันรู้สึกมันเปลี่ยนเป็นความเบื่อครับนั่นแหละภาวนาเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายไม่อช้ามาทันแบบทันครับนั่นแหละดูไปเบื่อรู้ว่าเบื่อนะอย่าเลิกบางคนพอเบื่อแล้วเลิกเลยมันมันไปเบื่อที่งานแล้วก็งานก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันขี้เกียจหรือเปล่านะครับเอออย่างนั้นนะขี้เกียจ ท่านนิพิธานี่นะไม่ใช่เบื่ออันหนึ่งเราอยากได้อีกอันนึงนะจะเห็นทุกอย่างหน้าหน้าเบื่อหมดเลยเสมอกันหมดถ้าภาวนาแล้วขี้เกียจทํางานให้รู้ว่าขี้เกียจดูเข้าไปเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเพื่อนคนนะหลวงพ่อสอนแกภาวนาพอแกภาวนาเป็นวันหนึ่งก็ามาฟ้องหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อใหญ่นะมาฟ้องหลวงพ่อว่าหัวหน้ากองเนี่ยใจบาปดิชันจะเดินจงกรมมาใช้ดิฉันทํางานทั้งวัน บอเอ๊ะ <Okay. laughs> เขาจ้างมาทํางานนะไม่จ้างมาเดินยงกรม <laughs> ยังจะไปว่าหัวหน้ากองสิ <laughs> จะมาฟ้องให้เราเล่นงานหัวหน้ากอง <laughs> ดีว่าเราหูหนักนะหูหูหเรายาว <laughs> ดีที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะแต่ตอนเนี้ตะของปั๊บเข้าไปแล้วร้อยสามขอบคุณมากครับไม่ประของอยู่ข้างหลังสุดเลยร38 เดี๋ยวนี้ใครอยากคุยกับหลวงพ่อต้องยกมือนะไม่มีเส้นมีสายหรอกเพราะว่าโยมเ ย, โ ย, โยโอะเหลือเกินบางคนนี่มาเจ้าแง่แสนงอนถ้าหลวงพ่อไม่เรียกฉันจะงอนตุ๊บป่องไม่ยอมยกมืองั้นก็งอนไปก่อนนำ้ำมสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกอย่าน้อมใจให้ซึมครับผมกรรมฐาน<ม>เดิมที่ทำอยู่นะมันน้อมใจซึมๆนะเลิกซะพยายามรู้สึกตัวให้มากเอาส่งกันบ้านไป มาขอบคุณหลวงพ่อครับได้ไปฟังซีดีหลวงพ่อครั้งแรกก็เลยเข้าใจชีวิตดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับใช่ภาวนาเราต้องมีความสุขครับก็รอเป็นลูกไก่อย่างที่หลวงพ่อว่าครับขอบคุณครับแค่นีนออนะ้ดีใจด้วยจิตมันเปลี่ยนไปเยอะเลยร้อหกสิบ ตื่นเต้ น, ต, น, ต, นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปนะยกมือแต่ไม่ตั้งใจฮะอะไรนะแล้วตกใจเลยยกมือมีนะบางคนอะหลวงพ่อเห็นอย่างเงี้ยพอชี้แนละ้วบอกหนูไล่แมงวันเแล้วไงไม่ตั้งใจไหนๆก็บุญภาวาสนาส่งแล้วคือก็พยายามจะปฏิบัติอย่างที่ว่าจารย์บอกนะคะแต่ว่าเห็นกิเลสไหมหลวงพ่อถามดีกว่า ให้คุณบรรยายถ้าจะไม่จบง่ายเห็นค่ะวันหนึ่งเห็นกิเลสอะไรบ้างก็เห็นเยอะค่ะแต่มันบางทีมันจะบอกตัวเองว่าไม่ชอบดูดูหรือไม่ดูมันก็ทุกข์เหมือนกันนะก็เลยไม่อยากจะดูเท่าไหร่รู้ใๆนะอยาบรู้เรื่อยๆวันหนึ่งเราพ้นมันได้กิเลสที่เป็นศัตรูร้ายเลยทําให้ชีวิตของเราขาดความสงบสุขนั้นเวลามันเข้ามานะเหมือนศัตรูเข้าบ้านเหมือนงูเลื้อยเข้าบ้านอนะ่ะแล้วทําเป็นไม่ดูมันไม่ดีนะงูเข้าบ้านเราก็ต้องดูไว้ก่อนนะ ดั้นกิเลสเข้าบ้านเราเข้ามาในใจเราเราก็ต้องคอยรู้ไว้ดูบ่อยๆบางวันก็จะแบบรู้ตัวเองว่าเออถ้าไม่ไปหยิบอะไรขึ้นมามันก็จะไม่ทุกเลยก็จะสุขอยู่อย่างนั้นนะคะออไม่คิดเอานะคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยอย่าคิดเอานะยังคิดล่วงหน้าอยู่เอาข้างหน้านี้สิ่งนี้ยกมือสิ่งนี้ไม่เกี่ยวเอา 9, เก้าหกอ่ะกราบนมัสการครับ มาครั้งแรกครับเออครั้งแรกก็ยังดีฟังซีดีมาแล้วเนี่ยเข้าผมเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนครับเห็นครับดีภาวนาดีครับดูไปอย่างนั้นแหละดูอย่างนี้เรื่อยครับใช่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่าการหลวงพ่อครับกลัวไหมกลัวครับกลัวก็รู้ว่ากลัวเนาะครับอายุเท่าไหร่ละสิบปีครัโอ้หลวงพ่อชอบมากเลยเด็กภาวนา ว่าไปคือไม่รู้ว่าจะดูอะไระครับดูอะไรก็ได้ <c oughs> อย่าดูแต่หนังอย่างเดียวอยากให้หลวงพ่อแนะนําหน่อยฮะหลวงพ่อแนะนําหน่อยว่าจะดูอะไรดีครับดูความรู้สึกของตัวเอง ค, คอยรู้ความรู้สึกนะพื้นฐานเดิมที่ทํามาใช้ได้นะมีของเดิมมางั้นเราหัดดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆรเราจะเห็นเลยใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยอย่างตอนนี้ใจลอยไปรูปหนึ่งดูออกไหมดอกเออนะเนี่ยหัดดูไปอย่างนี้ดูเป็ดละ การปฏิบัติจริงๆง่ายที่สุดเลยยิ่งเด็กยิ่งภาวนาง่ายเพราะเด็กไม่มีมานยาใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไงัรู้ซื่อๆ อ, อย่างตอนนี้เริ่มไปกดให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมอย่าไป น, น่วงจิตให้นิ่งไม่เอาปล่อยให้จิตมันซนไปเอาซนแล้วซนซนแค่เขืนอีกแล้วรู้สึกไหมเนีย่ยใจมันโล่งขึ้นมาดูออกไหม ถ้าเราไปกดไว้นะใจจะแน่นแน่นถ้าปล่อยแล้วใจจะโล่งโล่งเราปล่อยมันโล่งโลแล้วเราตามรู้ไปด้วยอย่างตอนเนี้ใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจมันไหลแปวูบไปแอบไปคิดเด็กคนนี้คิดนุ่มนวลบางคนคิดกระโชคโฮกมากเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันไหลไปนิ่ม ๆ, ม, ๆมันลืมตัวเองอะ่ะยังเก๋ไหมตอนที่หลงไปนะี่มันจะลืมตัวเราเองเรามีกายเราก็ลืมไปเรามีจิตใจเราก็ลืมไปเวลาที่หลงนะ ถ้าเมื่อไรไม่มีกายเมื่อไหรไม่มีใจนะกายหายใจหายก็หลงไปเราก็รู้ทันว่าหลงไปแล้วนะค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆ อ, ยอาเบอร์เจ็เจงงมากเด็กไปฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังบ่อยๆเราจะรู้ในเวลาไม่นานหรอ ก, ก, กรค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแต่ฟังซีดีมาแล้วประมาณสองสาเดือนนะคะ อยากทราบว่าจริต อ, อย่างโยมยังบังคับอยู่นะรู้สึกไหมขนณะนี้ยไปกดตัวเองไว้เต้ น, นค่ะเราจไปกดมันรู้อย่างที่มันเป็นไปแล้วก็ไปหา ง, งานทํานะงานบ้านงานอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรนั่นนะอ๋อต้องดูกายเหรอคะเออเอากายเคลื่อนไหวไว้แล้วก็ค่อยรู้สึกไว้นะเราจะเห็นจิตชัดถ้าทิ้งกายไปเลยจะดูจิตไม่ชัดหรอกนะแรงไม่พอต้องดูกายไปก่อนคขอบคุณค่ะ เมื่อแปดสิบสาคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จรู้สึกไหมใจลอยใจลอยแล้วก็รู้นะเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไหมตอนที่รู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าใจโปร่งกว่าตอนที่รู้ว่าใจลอยนึกออกไหมเนี่ยพยายามหน้าอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยพอรู้กายแล้วใจมันจะโล่งขึ้นมารู้สึกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้สึกกายบ่อยๆนะแล้วเราจะรู้จิตได้ชัดอ้าวว่าไป กรับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็มาส่งกันบ้านครั้งที่แลหลวงพ่อบอกก็ปฏิบัติอย่างนี้ดีแล้วนะคะก็ไม่กลับไปปฏิบัติช่วงแรกก็จะรู้สึกว่าไม่รูไม่รู้สึกตัวนะคะเหมือนกับหลงไปเลยแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นนะคะมันเป็นช่วงๆนะบางช่วงเนี่ยการภาวนาเหมือนเรามีเรี่ยวมีแรงยังกับมรรคนิพพานจะอยู่ต่อหน้าต่อตาละบางวันภาวนาไม่เป็นเลยเป็นเรื่องปกติค่ะทีนี้ อยากเรียนถามนิดนึงนะคะว่าปกติตอนช่วงไม่มีเรื่องมีแรงอยากจะนั่งนั่งสมาธาิแต่ก็ทําพอนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งมากไม่ไม่รู้เรื่องนะคะทีนี้ก็จะใช้วิธีว่าช่วงนอนเนี่ยจะจะดูดูเราหายใจนะคะไม่ทราบว่าใช้วิธีนี้พอจะได้ไหมได้นะแต่ของคุณนะมันค่อนข้างจะติดสมาธานะติดนิง่งพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันให้มากขึ้นนะไม่ใช่ฝึกสมาธิให้เยอะขึ้นนะติดนิง่ง ติดสมถานั่นแหละเบอร์ยี่สิบกลบาวัภการครับผมอว่าไงครับก็มีข้อสงสัยหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องเดียวได้ไห ม, อมโอ้หลวงพ่อผมไม่ได้มายกไม่นานแล้วอ้าวสงสัยอะไรครับผมอย่างแรกนี้ก็คือเกี่ยวกับที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ในซีดีนะครับว่า บางคนเนี่ยเหมือนกันหลวงพ่อทุกได้เพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยหยุ่นเหมือนดินเหนียวหรือลักษณะนี้บางคนเปราะเป็นแก้วลักษณะนี้นะครับก็เลยอยากทราบว่าลักษณะของคนมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มันมีเหตุเพราะอะไรครับคือถ้าใจมันเคยฝึกฝนอบรมมานะเคยฝึกปฏิบัติมาอะไรเนี่ยใจมันค่อยเข้าหานเข้มแข็งมันรักในความจริงยอมรับความจริงได้ แต่บางคนนี่ยังยอมรับความจริงไม่ได้อินทรีย์ยังอ่อนมากงั้นคนที่ยังยอมรับไม่ได้ก็ต้องประครบประงมไปก่อนเหมือนจะให้กินยานะกินยาเพียวๆไม่ได้ก็ต้องใส่น้ําหวานลงไปให้กินอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ไม อ, อินทรีย์ใช่ไหมครับโอเคไม่เอาอย่าไปเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนั้นเมื่อไหร่จะจบเดี๋ยวหมดสงสัยเรื่องนี้ก็สงสัยเรื่องอื่นอีกครับผมให้เรารู้ทันจิตของเราไปจิตเราสงสยัยรู้ว่าสงสัย เราฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านดูอย่างนี้นะไปเที่ยวตัวอะไรอย่างอื่นอยากรู้จักตัวเองนะครับไม่รู้จักตัวเองด้วยวิธีคิดเราครับผมอยากรู้จักตัวเองอะไรที่เรียกว่าตัวเราก็กายกับใจนี้งั้นดูลงในกายดูลงในใจดูมันทํางานดูอย่างที่มันเป็นถึงจะรู้จักตัวจริงของมัน <c oughs> อย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าจ้องใส่มันจะไม่เห็นตัวจริงของมันครับผมคราวนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ภาวนาลําบากเนี่ยอย่างกับผมนี่ผมรู้สึกว่า มันต้องดินด้นดิ้นดิ้นไปจนกระทั่งในที่สุดมันก็หมดแรงหรือมันพลิกขึ้นมาลักษณะมันเป็นอย่า ง, งานงั้นทุกคนแหละ<น>ไม่ว่าจะสบายปฏิบัติสบายหรือปฏิบัติลําบากนะั้นก็ต้องสู้จนหมดสติหมดปัญญาแล้วถึงจะเข้าใจโอ้<笑><笑>ทรมานนะครับอมันมันทรมานมันทุกข์อ่ะครับอยากพ้นทุกข์ก็ต้องสู้เอาอืมครับ แล้วตอนนี้ผมยังมีปัญหาที่ควรแก่ควรรู้ระ อ, อะไระอีกไหมประความมากไปประความากไป ม, มันเป็นนิสัยมานานแล้ว <laughs> แล้วจิตใจเนี้ยมันอ่อนไปยังไงบ้านครับจิตใจมันดูอ่อนแอไปนิดนึงนะฝึกใจให้ห้าวหาญกว่า น, นีนะ้เข้มแข็งกว่า น, นี้นะเพิ่มความนะเข้มแข็งหาที่ภาวนาที่มันน่ากลัวแล้วไปสู้เอานะ <laughs> ตรงไหนอเสือช้างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วยังให้เราไปดูเสือเดี๋ยวนี้เราก็ไปอยู่ที่สวนเสือ <laughs> ไม่น่ากลัวใช่ไหม ลองไปภาวนาตามวัดป่าดูนะผมไปอยู่คนเดียวไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วภาวนาครับขอบคุณครับเบอร์ห6หตอนนี้ยังกดอยู่ครับก็ฟุ้งซ่านด้วยไม่ทราบว่าพอกลับกลับไปทำในรูปแบบบางใดอย่างครับถ้าได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะบเบอร์80สบกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ แนวว่ายาวอย่างคนนี้อ้าวว่าไปนมัส ก, การทุนานเชียวคือจะเห็นอย่างนี้เจา้าค่ะคืจะเห็นทุกอย่างมันไม่มีคําพูดเจค่ะที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะดูไปโลกนี้ว่างเปล่านะใจเราก็ว่างเปล่าดูไปเรื่อยเรื่อยเห็นกายมันมีอยู่นะแต่มันว่างเปล่าเห็นจิตใจมีอยู่แต่มันก็ว่างเปล่าว่า<ำ>งเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะถูกใช่ไหมเจ้าค่ะทูานพ่ดูไปค่ะ 16ึ่งหนึ่งหนหนึ่งอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกลับนวัสการมครับหลวงพ่ อ, อผมปฏิบัติมาได้หนึ่งปีแล้วแต่ว่าก็เห็นว่าใจมันโลง่งๆขึ้นไม่แน่ใจว่าติดความว่างหรื อ, ปอเปล่าครับท่านบางทีมันก็น้อมเข้าหาความว่างนะ ม, มันไปติดอยู่เหมือนกันแต่ไม่แรงพอดีห้าวันจะไปะปฏิบัติที่บุญญว่านะครับหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรบ้างพยายามรู้สึกกายให้มากขึ้นมันจะได้หลุดออกมาจากอะไรที่ติดมา้างๆง มันติดบ้างใช่ไหมครับจริงๆแต่ยังติดไม่แรงอ ะ, ค ะ, คะแค่รู้สึกกายนะถึงเวลาก็ไปกวาดวัดไปอะไรเงี้ยออกมาเดินเคลื่อนไหวไปเบอร์เจกล่าวถวัตการครับหลวงพ่อครับมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านสักทีหนึ่งก็ผมวันนี้ขออ่าส่งนะครับก็เดิมปกติก่อนที่จะฟังซีดีของพ่อนี่ก็ผิดศีลห้ามาตลอด20กว่าปีนะฮะ พอหลังจากฟังซีดีแล้วนี่ก็ทานเหล้าไม่มีความสุขเลยเออครัทาเหล้ามีความตั้งแต่เริ่มที่ว่าจะนัดทานเหล้าก็ไม่มีความสุขแล้วเอฮก็ไม่มีความสุขแล้วจิตคิดตลอดว่าทํำยัำยงไงจะทํำยังไงดี <c oughs> ถึงจะหลุดตรงนี้มาได้นะครับก็แรกๆพยายามว่าจะทานเหล้าไปด้วยภาวนาไปด้วย <c oughs> <c oughs> ครับก็ <c oughs> ลินเหล้าก็รู้ฮลินโซลาก็รู้ตากน้ำแข็งก็รู้นะฮะ ก็สุดท้ายไม่ได้จริงๆครับวันนี้ก็เลยมาภาวนากับหลวงพ่อว่าจะเลิกแล้วครับเหล้าแล้วครับดีครับสาธุนะครัทุกคนอนุโมทนาครับครับครับดีมากเลยตอนนี้ผมภาวนาไปไงบ้างครับหลวงพ่อครับก็ดีขึ้นแล้วนี่คครรัับบการที่เรารู้ทันใจของเราเช่นมันอยากกินเหล้าเรารู้นะมันจะไปนัดเพื่อนแล้วอยากนัดเพื่อนแล้วเรารู้อะไรเงี้ยเราคอยดูไปได้พวกขี้เมาเขาก็มีธรรมะนะ อย่างเวลาจะกินเหล้าต้องเชวนเพื่อนมากินเขาอ้างพุทธภาษิตได้บอกกินคนเดียวไม่เป็นสุขดีเลิกได้บุญแล้วนะร้อยธรรมะเปลี่ยนเราได้นะธรรมะเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้หลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะอย่าไปกดไว้ไปกลัวหลวงพ่อมากเกินไปให้คอยดูทันใจของเรานะใจเรากระชอกไปกระชอกมาวิ่งไปวิ่งมาเราก็รู้เรื่อย <S <S ๆดีใช้ได้ ร้อยสมสมอยู่ข้างหลังกลับมาการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ได้อ่านหนังสือมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังซีดีค่ะขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าไปฟังซีดีไม่ได้ฟัง <c oughs> มีไม่มีซีดีป่ะมีคะ่ะแต่ยังไม่ได้ฟังไปฟังดูสิ <c oughs> แล้วก็ดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันดูอย่างเนี้ยนะดูเล่นๆไป แล้วไม่แทรกแซงนะไม่ใช่ว่าดูแล้วมันต้องดีดูแล้วต้องสุขต้องสงบไม่จําเป็นเลยฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะมันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีมันโลภรู้ว่าโลภโกรธรู้ว่าโกรธหลงรู้ว่าหลงรู้ซื่อซื่อไม่แทรกแซงทําได้ไหมยากยากตรงไหนตรงที่อดแทรกแซงไม่ได้เราเป็นขี้โมโหแล้วไงแล้วอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าจริต นั่ น, น, นแหละดูจิตไปหมอกรจริตแล้วที่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะจิตมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไห ม, มนเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆใช้ได้นะซีดีหลวงพ่อหรืออ่านหนังสือหลวงพ่อเราตื่นนะเป็นเรื่องแปลกอาส่งมาใหาข้างหน้าโยมผู้เท่านี้เบอแถวที่สามบุมีกำไรทั้งสองอันเนยนมสการค่ะโยมก็ฝึกแบบสมถา ม, มา20กว่าปีแล้วค่ะ แล้วก็เดี๋ยวนี้มาหลวงพ่อมาไปครั้งที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าคัดแลเข้าวัดแล้วรูปมาทางนี้รู้สึกว่าสบายใจ้มันถูกไหมคะถูกสิใจเราเริ่มคลายออกรู้สึกไหมเดิมเราเพ่งแรงตอนนี้มันเริ่มคลายแล้วสังเกตไหมตอนที่ใจเราคลายออกมาเนี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เราเห็นใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาจามวิปัสสนา ถ้าไปเพ่งแล้วใจก็นิ่งหลายหลาวันก็นิ่งอยู่งั้นอันนั้นสมถะทุกทุกเที่ยวก็ทําอย่างงั้นตลอดตลอดยี่สิบปล่อยเราปล่อยนะแล้วเราดูมันทํางานไปเรื่อยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวโหดหูดูไปเรื่อยดูเขาดูเหมือนดูคนอื่นดูเขาเล่นไปเลยดูเ้าแสดงนะเหมือนเราเป็นคนดูเคยดูลิเกมไหมดูค่ะเออเนี่ยแหละดูใจเราเหมือนดูลิเกอย่างนั้นแหะ นะพอมานั่งฟังตอนเช้านี้รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นเยอะนะมันเบามันปฏิบัติเบา ๆ, ๆดี อ, อย่างนี้ภาวนาต้องเบาๆอย่างนั้นเลยแล้วถูกนะคะถูกอ้ <laughs> อาวซีกนี้บ้างเ <laughs> บอร์74็ดสิกลับนมัสา ก, การหลวงพ่อคะ่ะเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกให้โยมไปเดินดูร่างกายมันเดินถ้ามันสงบมันสงบของมันเอง พอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะมันเกิดสงบขึ้นมาพอไปเดินอยู่ชายทะเลนะคะมันคงสบายใจหลวงพ่อพอเดินอย่างนั้นแล้วมันเห็นทุกอย่างมันแยกอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าค่ะครา้นี้มันก็ไม่มีเราในทุกๆส่วนครั้นี้กลัวว่าโยมจะไปสร้างความไม่มีตัวขึ้นมาอีกค่ะยังไม่ได้สร้างนะยังไม่ได้สร้างอย่างถูกไปเล่นๆอ่ะแต่ตอนนี้ประคองไว้นิดนึงค่ะยังถูกนะค่ะถาไม่ประคองถูกนะถูกจิตมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไปดูอีก หลวงพ่อคะแต่มันไม่หวือหวามันที่เห็นครั้งแรกอะคะ่ะวุยใหม่ๆ ม, มันก็หวือหวาทุกอย่างหลยอย่างแฟนเรามาจีบเราครั้งแรกเราก็หวือหวาใช่ไหมค่ะ <c oughs> อยู่กันมาสิปีเห็นหน้าก็จืดชืดแล้วธรรมดายังถูกนะคะหลวงพ่อถูกถูกแต่อย่าประคองนะห <c oughs> ลวงพ่ออย่างนี้โยมต้องทำํำสมาธินรราําปัญญาจะเกื้อกูลกว่าไหมคะ่ะไปเดินไว้เดินไว้นะคะเดินไปเรื่อยๆถ้าไปทําสมาธิเดี๋ยวกลับไปเพียงอีกเบอร์สิอยู่ที่ไหนเบอร์สิบ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับออขอขอทราบผลการปฏิบัติจากหนึ่งปีที่ปฏิบัติมาครับหนึ่ง hmm? ปีที่ปฏิบัติมาครับก็อยากทราบผลว่าหลวงพ่อถามดีกว่าหนึ่งปีเนี้ได้อะไรบ้าง <laughs> ก็คือก็ได้เยอะมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกสิที่ทําอยู่ถูกแล้วนะสังเกตแมมความทุกข์มันน้อยลง ความรู้สึกตัวมันบ่อยขึ้น ร, รู้สึกไหมแต่เดิมนึกออกก็ยางแต่เดิมไม่เคยรู้สึกตัวใช่ครับตอนนี้เรารู้สึกตัวเป็นแล้วเราก็รู้สึกบ่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปทําอีกพ่อครับขอคําสอนที่ที่เหมาะกับดวงจิตดวงผมเพื่อให้จิตดวงผมได้จดจำสมาวกร่างกาของคุณของคุณต้องเคลื่อนหไหวไว้ดูกายให้เยอะหน่อยดูกายอย่าทิ้งกายนะขอบคุณครับเบอร์สิบสา มาร์ส ก, การ์ดกับหลวงพ่อห น, หนูเคยมาส่งการบ้านหลวงพ่อประมาณบ้านาน่าจะมากกว่า3ามเดือนแล้วตอนนั้นจิตตื่นเต้นแล้วหลวงพ่อก็ให้การบ้านหนูว่าขณะคือให้เรารู้ทันใจที่ไม่ชอบการตื่นเต้นนะคะตรงนี้หนูยังไม่สามารถจะรู้ทันอย่างตอนนี้ก็ตื่นเต้นแต่รู้สึกมันเบาลงแล้วค่ะมันเบาลงแล้วแต่เราไม่สามารถรู้ตามทันที่ใจที่ไม่ชอบการตื่นเต้นเนี่อความใจเราเป็นกลางล้ค่ะเพียงแค่แม่มันตื่นเต้นใจเราไม่ได้ดิ้นรนปฏิเสธมันเนี่ใจเราเป็นกลางจิตดีขึ้นนะ ถูกต้องแล้วใช่มัต้องแล้วดังนี่งนูต้องควรควจะไม่ว่าตัวอะไรขึ้นมาต่อไปนี้รู้ลูกเดียวเลยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้ามันไม่เป็นกลางก็รู้ว่าไม่เป็นกลางระวังอันเดียวอย่าไปประคองให้เป็นกลางตัวนี้ต้องระวังนะจะเริ่มไปตอนนี้ประคองใช่ไหมครัใช่จะไปประคองให้เป็นกลางต้องระวังตัวนี้ตัวนี้ร้ายที่สุดเลยนะแล้วอย่างนี้สมถะหนูควร ยังต้องทําทําไม่จริงแล้วามจริงสัสมถะพ่อไม่จริงนะบางคน<อ>นะ่ะหลวงพ่อบอกให้เลิกสมถะไปก่อนเพราะว่าติดสมถะแรงคือหนูหนูเกรงว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะติดติดเพลง<ำ>หรือเปล่าทําไม่นานหรือทานิดนิดหน่อยหน่อยทำไปเร่อยๆทพอพักผ่อนเบอร์เก้ากลับนมัสการหลวงพ่อค่ะปีที่แล้วมาส่งกันบ้านครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าติดสมถะอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอะเรารู้สึกไหมว่าดีขึ้นหรือเปล่า เริ่รู้สึกว่ารู้เริ่มรู้สึกว่ารู้ตัวมากขึ้น<ช>เวลาเดินเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดิน ะ, <ฮ>ะดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยยังยังสงสัยว่าอย่างถ้าเวลาเราปฏิบัติอย่างเดินทํากิจวรรัตรประจําวันหรือว่าเรามานั่งหลับตานั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ทําเหมือนกันเลยใช่ไหมะคะเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนทําเหมือนกันหมดเลยคือรู้กายรู้ใจมันเรื่อยไปเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เร า, าดูมันทํางานแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่า เดี๋ยวเราก็ไปดูท้องพองยุกเดี๋ยวเราก็ไปดูลมหายใจสังเกตไมมมันไปของมันเองได้ค่ะใช่เห็นไหมจิตมันทํางานได้เองเห็นไหมจิตไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราพอเรานั่งหลังงอปุ๊บเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราจะต้องยืดหลังตรงขึ้นมาอีกเนี้ยค่ะเป็นก็เป็นการรู้สึกตัวอย่างหนึ่งใช่คะหรือเปล่าเห็นไหมว่าอยากหลังตรงหลังงอรู้ว่าหลังงอเห็นไอ้ตัวที่งออยู่เนี่ยไม่ใช่เรา อพอรู้แล้วตรงขึ้นมาก็เห็นไอ้ตัวที่ตรงนี้ไม่ใช่เรานะดูอย่างนี้เรื่อยๆน ะ, ะไม่ใช่ว่าต้องหลังตรง <laughs> หลังตรงตรงก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทำ <laughs> เคยเห็นไหมคนไม่สบายที่หมอก็ดําหลังไว้หลังตรงเป๊ะเลย <laughs> ไม่เห็นจะบรรลุธรรมเลยแล <laughs> นะ้หลังตรงอยู่รู้สึกนะไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่เรา <laughs> งอกหงอก ง, ง, ง, งี้มันก็ไม่ใช่เราตัวไหนมันก็ไม่ใช่เรานะดูอย่างนั้นถึงจะดีนะขอบคุณค่ะเบอร์สองเบอร์สอง กับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคราวที่แล้วมาหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งอะคะ่ะก็รู้สึกไหมล่ะเพ่งน้อยลงรู้สึกค่ะรู้สึกไหมใจมันปลง่งปลงขึ้นค่ะรู้สึกไหมใจมันเคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกค่ะนี่นแหละทําตัวเป็นคนดูเห็นใจมันเคลื่อนไหวไปเไรื่อยๆแล้วกับขอรบกวนหลวงพ่อแนะนำํำการไปบัติในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิหารธรรมที่จะไม่กลับไปติดเพ่งอีกอะไปเดินสิกระดูกกดิกไว้ถ้านั่งเดี๋ยวจะไปเพ่งออา แล้ววิหารแล้วทำมานั่นแห i, ละไป เ, นะนะนะเคลื่อนไหวไปเดินจงกรมไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวร่างกายไว้ในชะ่ค่ะลดต้นไม้ก็ได้อาบน้ําให้หมาก็ได้ใช่คนะ่นะอนะไรงก็ได้อย่าไปอาบน้ําให้แมวนะใช่ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเ บ, บอร์สี่สิบห้าแต่แมววัดหลวงพ่ออาบน้ํานะเด็กมันอาบให้มาตั้งแต่เล็กๆมาเลยอาบน้ําเก่งอขอคําแนะนำเลยครับจะให้แนะอะไรอ่ะใช่ไหครับจะให้แนะเรื่องอะไร ข้อผิดพลาดที่ตอนนี้ยังมีอยู่ตอนนี้เหรอไม่พลาดหรอกนะดูไปได้ได้ดูถูกแล้วแล้วบางทีมันชอบมีแบบชอบภาคอ่ะครับห้ามไม่ได้จิตมันภาคเราอย่าไปพยายามดูอยู่เพราะว่าว่ามันไม่พากแต่มานดูมันพาก็มีดูมันภาคเราไม่เกี่ยวจิตมันจะพูดนะเราห้ามมันไม่ได้แต่อย่าไปช่วยมันภาคเท่านั้นแหละเช่นเราเคยฝึกพองยุบสมมุติ ใจไปคิดมันคิดหนอคิดหนอถ้ามันพูดของมันเองไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราจงใจคิดเนี่ยผิดแล้วแล้วบางทีรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยตั้งมั่ น, นครับก็จะไยายามทำสมถะแต่ว่าก็รู้ให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมัน่น<ะ>ที่ฝึอกอยู่ดีแล้วนะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วให้รู้ทันลงไปได้ๆจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้เนี่ยเริ่มไปกดแลกดอยู่รู้สึกไหมขณะ น, นี้เริ่มกดแลกดมันทาไมเออเนี่ย นะให้มันหลุดออกมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกเอาอย่างนี้ิ่งใช้ได้นะเอา1 6ึ่กแราบธรรมสการ์เจ้า่ะจะเกิดมายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนะคะเหรอค่ะก็รบกวนขอให้ไม่ยากหรอกปฏิบัติอ่ะมันคือการเรียนรู้ตัวเองค่ะขออาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยจะได้ไม่ลืมตัวเราเองค่ะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆยืนอยู่ก็รู้เดินนั่งนอนรู้รู้เล่นๆนะค่ะอย่าไปรู้แบบลำบากค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องสมถะอะไรด้วยไหมคะไม่ต้องไม่ต้อง คืนทำแล้ยุ่งตายเลยใจของคุณไม่ทําสมถะไม่ลงง่ายหรอกใจมันช่างคิดให้ดูจิตเอานะอ้าวด็อกเตอร์น้ำมการเจ้าข่าหลวงพ่อตัวจริงเจ้าค่ะตัวจปลอมนี่จะมาจริงจรงอีกลองพ่อเจ้าคะคือเนี่ยตัวปลอมชัดๆเจ้าค่ะอันนี้อ้าวว่าไปหลวงพ่อค่ะคือหนูเบื่อแล้วหนูก็เหนื่อยแล้วหนูก็แบบเห็น จนเซ็งไปหมดแล้วอะค่ะไม่เบื่อจริงไม่เหนื่อยจริงไม่เซ็งจริงใจยังดิ้นไม่เลิกแล้วคะแล้วคือยังยังยังต้องดิ้นอีกช่วงหนึงจิตหนูเขาเขาจิตหนูมันโลดโผนเขาชอบชวนหนูทําชั่วเรื่อยเลยอะค่ะนั่นแหละจิตคนหนึ่งก็ชอบอย่างนั้นแล้วแล้วหนูก็อยากมากเลยค่ะหนูก็อยากขโมยเงินสามียิ่งเวลาเมานะหนูอยากมากเลยค่ะแล้วแบบแล้วหนูไม่ขโมยแล้วหนูรู้สึกชีวิตหนูขาดรสชาติมากเลยค่ะแต่หนูไม่ได้ทําแล้วนะคะตั้งแต่หนูเป็นลูกศิษย์ลุงพ่ออย่าทำนะไม่ดีหรอก ขอเขสิขอเอ้อนเวลาขอทําบุญชอบให้น้อยขโมยหนูได้เยอะค่ะขโมยเข้ามาทําบุญมันจะได้บุญเหรอก็พี่ๆเขาบอกแล้วหนูเลยเลิกขโมยเลยพี่ขโมยมาทําบุญแลไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกหลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้แล้วคือเมื่อก่อนนี้นะคะก่อนที่หนูจะปฏิบัติก่อนที่หนูจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชีวิตหนูมีความสุขมากเลยไปเที่ยวหนูก็มีความสุขแค่ช้อปปิ้งหนูก็มีความสุขได้กระเป๋าหลุยใบหนึ่งหนูก็มีความสุขแล้ว แต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วมันทําให้ชีวิตหนูเซ็งมากเลยอะค่ะในโลกนี้มันมีความทุกข์นะมันไม่มีความสุขหรอกความสุขเอาไว้หลอกเด็กเหมือนคนนั้นอะแต่ก่อนกินเหล้าแล้วมีความสุขเนี่ยชักไม่มีความสุขแล้วนี่ช้อปปิ้งก็ไม่มีความสุขหนูก็เลยสงสัยว่ามันทำผิดหรือเปล่าคะหนูหาเรื่องคุยรู้ทันหรอกอ่ะร้อยสี่บสาไม่ผิดหรอกภาวนาดีขึ้นเรื่อยเร มศการหลวงพ่อครับเมื่อกี้นี้เห็นแมลงวันเกาะอาหารก็โกรธพอเห็นเกิดกุสติมันเกิดเหมือนสปอรไลท์สมันดับไปเลยครับเอแล้วก็ไปนั่งทานข้าวนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อก็ปีติน้ำตาไหลก็ไม่ไปแทรกแทงเหมือนแล้วปล่อยให้มันไหลสักพักมันก็ดับไปครับเออนะที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีเลยนะรู้ลูกเดียวเลยเห็นไหมทุกอย่างมันทํางานได้เองปีติก็เกิดเองปีติก็ดับของมันเองแล้วผมต้องขออนุญาต แจ้งพ่อนิดหนึ่งครับว่าได้ไลซ์ซีดีแจกพวกลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยครับไม่เป็นไรไม่ว่าหรอกนะเอาไปแจกเดี๋ยวนี้บางบางวัด น, นะเอาไปขายด้วยแล้วในงานหนังสือเพราะตอนนี้เขามีงานหนังสือใช่ไหมมีคนมาบอกว่ามีหนังสือเรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งขายเล่มละสามสิบบาทมีเอาไปขายแต่ไม่เป็นไรขายถูกไหมว่าขอแนวทางปฏิบัติต่ตอไปที่ทาอยู่ดีแล้วนะ ไม่ต้องไปแทรกแซงไม่แทรกแซงนะถึงเวลามีข้อวัดขอตัวเองตัวนี้ต้องการความมีวินัยแล้วทุกวันทํามีเวลาแบ่งไว้เลยนะตื่นนอนขึ้นมาภาวนาอะไรเงี้ยเออผมขออนุญาตนิดนึงครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยไปกดมันไว้หลวงพ่อบอกเพ่งโอ้โหมันสงบมากกลางวันแต่ว่ากลางคืนฝันอุตรุ่เลยครับใช่เสร็จแล้วพอหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเพ่งเดี๋ยวนี้พอฝันเนี่ยมันจิตมันห่างๆอ่ะมันสติมันเกิดในขณะฝันมันเห็นมันจ้องแต่ว่าไม่เข้าไปแทรกแซ่เออมันไม่แทรกแซง ถ้าคุณจะตายตอนนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วเวลานิมิตไม่ดีเกิดนะสติจะทํางานเองละเมื่อวันที่ห้ามกพลาผม ข, ขออนุญาตนิดนึงครับนั่งอยู่แล้วก็มันหายใจไม่ออกรู้สึกว่ากําลังจะตายอะจิตมันหลุดออกไปแล้วดูมาที่กายนั่นแห ล, ละทีแลเห็นว่ามันไม่เอาุ่ละสักพักหนึ่งมันหลบเข้ามาเกิดลมหายใจมึงบอกให้กดจุดก็เลออยู่ครึ่งชั่วโมงครหลังจากนั้นก็หน้าซีดะเกือบจะตายาถ้าตายก็ไม่เสียทีแล้ว เวลาหลวงพ่อไปเยี่ยมคนไข่นะบาทีหลวงพ่อให้กำลังใจนะยังไปเยี่ยมท่านบันชัยอาจารย์ตายแน่รอบนี้ยังไงก็ไม่รอดหรอกดูมันตายเลยนั่นแหละของคุณภาวนาได้ดีมากเลยนะภาวนาถูกเป๊ะเลยจิตของคุณเนะ่ยมันรู้มันตื่นแล้วมันเป็นกลาง เราภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้มันรู้ให้มันตื่นแล้วก็รู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางผมขออนุ ญ, ญาตครับผมไปเรียนสายท่านอาจารย์แนบมาแล้วก็มาศึกษาหลวงพ่อรู้จักคุณต้อ ม, มครับอคุณต้อมบอกนานแล้วผมไปกราบท่านที่กาญจน บ, บุรีตอนนั้นท่านอาจารย์ท่านอาจนรยํามดบอกว่าพอดีวันนี้ไม่ค่อยสบายผมกราบเสร็จผมก็กลับหลังจากนั้นก็เผลอหลงไปนานเสร็จ แ, แล้วพอมาศึกษาผมรู้สึกว่าผมมาเจอคุณพ่อเป็นเป็นพ่อทางธรรมที่ให้ชีวิตใหม่ แล้วก็ขอปฏิบัติบูบชาเป็นโอดีะนะโมทนานะไม่ต้องเอาอะไรมาให้หลวงพ่อหรอกนะภาวนาครับมีอีกไหมได้หนึ่งคนหกสก้ารบนักสมัชฌายหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากจะให้กรุณาลูกโยมหน่อยอเจ้าค่ะ อ, อยากจะให้แนะนําลูกโยมมาเจ้าค่ะเหรอแล้ว ล, ลูกเขาอยากเรียนหรือเปล่าเ <_'_' S 1> ด็กกี่ปีอ่ะ อีกคนหนึ่ง7ขวบอีกคนหนึ่ง9ขวบเจ้าค่ะเก้าขวบเป็นไง9้าขวบน้องเอียบเขินอะ่ะอย่าไปเข็นเด็ ก, กอย่าไปบังคับ เ, เด็ก<ห>เดี๋ยวไปให้เราคอยรู้ทันใจของเราไปนะเด็กๆไม่ต้องคุยกับหลวงพ่อก็ได้เด็กยังตื่นเต้นให้เขาคอยรู้ทันใจของเขาเขาอยากกินขนมก็ให้รู้ทันเขาอยากดูทีวีก็รู้ทันนะอยากอ่านการ์ตูนก็รู้ทันให้คอยรู้ทันซะก่อนแล้วก็ค่อยกินค่อยดู เด็กนะมันเรียนเร็วกว่าผู้ใหญ่เราไม่ต้องบังคับเราฟังนะเราเปิดให้เขาได้ยินเนะ่เดี๋ยวยเขาจะรู้เร็วกว่าเราอีกดีเด็กใต้จะตื่นแล้วเด็ก9ก้าขวบแนละ้วมันจะตื่นอยู่แล้วเบอร์5 3อยู่ที่ไหนอยู่นี่ครั บ, รบ ก, การนมัสการหลวงพ่อครับมาครั้งแรกครับฟังซีดีมาประมาณสามเดือนกว่าก็ ตามรู้ ด, ดูกายดูจิตครับก็เห็นจิตเผลอไปคิดก็รกแบบู้แล้วก็เห็นถี่ขึ้นแบบเป็นวินาทีอย่างนี้แล้วก็เห็นเห็นกิเลสเห็นโทสะเกิดก็เห็นเลยว่าอยากมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นความเห็นจิตอยากไม่อยากไม่คิดไปกดก็เห็นโทสะ เกิดขึ้นก so ็พอดูโทรษะจิตมัน yeah. ก็โรงขึ hmm. uh, ้นรู yeah. ้วก็รู้ซื่อรู้ลงปัจจุบันไปครับก็ดูเล่นๆไปขอคำชี้แนะดูเล่นๆนะเวลาดูอย่าถลําลงไปดูดูห่างๆดูสบายๆของคุณดูไปเรื่อยๆนะของคุณเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ช่างคิดไปนิดนึงแล้วปัญญามันจะล้าหน้าง่ายอย่าคิดนำมันนะ ร, รู้ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นสดๆสดสดร้อนๆเ น, นี่ยรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปเบื่อสักก่อนนะปัญญามันแรงไปเดี๋ยวมันจะล้มไอ้นนทนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ยึดเลยมันหลุดไปเลยหลุดหมายถึงหลุดจากการมีสติเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่ที่ไหนคนนี้ยกมาตั้งนานละผมส่งกันบ้านรอบสามเดือนสี่เดือนนะครับพ่ อ, อ, อหลังๆเนี่ยผมทำกันบ้านขยันแล้วก็ กันบ้านเดีอยู่เรื่อยๆท่านี้มีอยู่ช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ครับมันมีความสงบบนความที่วุ่นวายอยู่ขนอแต่ว่าช่วงนั้นผมดูลมหายใจเยอะเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองอะตอนนั้นติดติดสงบเพราะความเพราะลมหายใจหรือว่าสงบเพราะมันมแต่นั้นไม่สําคัญอนะตอนนี้เป็นยังไงมีประคองประคองหน่อยรู้ไหมรู้ไหมประคอง ช่งเมื่อกี้ไม่รู้หลวงพ่อทักยังไม่เรื่องประคองดูออกไหมออครับถ้งงั้นไอ้ที่ดูมาถูกต้องแล้วคือถ้าปัจจุบันดูเป็นนะเมื่อก่อนมันก็ดูเป็นถ้าปัจจุบันสภาวะเป็นยังไงนะไอ้ที่คุยมาในอดีตนั้นใช้ไม่ได้หรอกเอ้าหห้าอยู่น่นมีเสาเป็นสรณะ คนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วดีใจไหมกลาบมนเทศการหลวงพ่อค่ะพึ่งมาครั้งแรกนะคะขอให้หลวงพ่อชี้แนะด้วยนะคะที่ปฏิบัติ้วค่วนะเห็นไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยค่ะนั่นแหละดีดูไปอย่างนั้นเลยขอบพระคุณท่านมากค่ะเชิญกลับบ้านใครจะกลับบางประกงเข้าไปนะ